ข้อคิดก่อนฟังธรรม MP3 แผ่นที่สิบห้ามีหัวข้อคติธรรมว่าบุคคลผู้ใดข้อตามถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่ไม่นับว่าเป็นอริยชนอริยชนคือบุคคลที่สูงส่งเป็นบุคคลที่ได้ฝึกได้หัดได้ดัด ได้ขัดได้เก่าตัวเองแล้วเป็นผู้ได้ฝึกทางด้านจิตใจมาแล้วด้วยสินสมาธิปัญญาได้อบรมจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสตามขั้นตอนจนถึงที่สุดเป็นอริยบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันอันนี้เรียกว่าอาริยชน อริยชนนี้จะไม่ทำความชั่วโดยเจตนาถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้าว่าเป็นผิดศีลธรรมแล้วอริยชนเหล่านี้ท่านจะไม่ข้องแวะท่านจะไม่ทำอย่างพะสดารันศีลห้าของพะสดาบันเป็นศีลห้าโดยอัตโนมัติท่านไม่มีเจตนาจะรักษา แต่ว่ารักษาโดยอัตโนมัติท่านจะไม่ทำโดยเด็ดขาดเพราะท่านรู้แล้วว่าการฆ่าการ ข, าารขาโมยการประพฤติผิดเรื่องกาเมการมุสาการดื่มน้ำเมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระโสดาบันท่านรู้ในจิตใจของท่านแน่นอน เหมือนกับของดำหรือของสกปรกอย่างเนี้ยอันนี้เรียกว่าอารยะชนพรายนั้นพวกเราท่านทางหลายถึงจะไม่ถึงอารยะชนก็ถือว่าทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านยกย่องเชิดชูบูชาว่าอารยชนเป็นชนที่น่านับถือน่าเคารพน่ากราบไหว้น่าสักการะบูชา เพราะนั้นพวกเรานำรมที่อารยชนเหล่านั้นเข้ามาปรปับปรุงกายวาจาใจของเราถึงพวกเราเจะเป็นปูตุชนอยู่ก็จะพยายามสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นำรมที่สูงส่งเข้ามาเปรียบเทียบหรือ ว, ว่ามาขัดเกลากายวาจาใจของเราพวกเราจะเป็นอารยชนนั้น ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้มีแต่จะตกต่ำไปเรื่อยๆมีแต่พอกพูนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะและจะมืมิติดไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราใช้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้ามานามาประพฤติปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วพวกเราจะประสบความสงบร่มเย็นเป็นสุขไปอยู่นสถฐานที่ใด อยู่ในครอบครัวใดคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องมิตรสหายทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันรักเคารพกันมีเมตตาต่อกันพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่ามนุษย์ของเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะนั้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีหลายหลายอย่าง การฆ่าการทุบตีกันการแต่งแย่งกันเอารัดเอาเปียเผาอย่างนี้ท่านว่าเข้าขายว่าเบียดเบียนเบียดเบียนสัตว์เขาว่าสัตว์คำนี้ไม่ใช่สัตว์สีขาไม่ใช่สัตว์ดิรัชานเขาว่าสัตว์คานี้คือว่าสั ต, ตว์ตวะโลกโลกคือหมู่สัตว์ตั้งแต่พรมลงมาสวรรค์ทุกชั้นจนถึง อเวจีมหานรกแปลว่าเป็นสัตว์ทั้งหมดมนุษย์ของเราก็จัดว่าเป็นสัตว์เหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะว่ายัางคล่องอยังคล่องแวะยังติดคล่องอยู่ในพบในชาติยังไม่เป็นอริยะชนยังไม่ได้เป็นพระอรหรันท่านจัดว่าเป็นสัตว์ทางนั้นคือยังคล่องจังเวียนไหวตายเกิดอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสาร เนือว่าสัตตะเปว่ายังคล่องอยู่ในภพในชาติเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามถ้ายังเบียดเบียนสัจจุไม่นับว่าเป็นอริยชนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านถึงอย่างไงก็ ให้นำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเป็นกระจกเงาเอาไว้ว่าสิ่งนี้เราทำไปเป็นการเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่เอารัดเอาเปียบคนอื่นหรือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องได้ทบทวนคิดไว้ในใจอยู่เสมอถ้าว่าพวกเราคิดไว้ในใจ อย่างนี้ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเราจะไม่ให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไปเราจะสํารวมเราจะระวังจะไม่ให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอันนี้แปลว่าบัณฑิตแปลว่านักปราชเป็นผู้มุ่งมั่นในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม มุ่งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นโลกทั้งโลกก็จะสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าว่าพวกเรามีความคิดอย่างนี้ในจิตในใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้มาพบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่งเพราะนั้นอย่าให้พลาดโอกาสที่ว่าโชคดีอย่างยิ่งนี้ให้ตกต่ำไปเป็นอย่างอื่น พยายามสั่งสมคุณงามความดี้าว่าพวกเราเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้พวกเราประกอบคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วกล่าวเอาไว้แล้วตรัสเอาไว้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธรรมวันเดือนหกเพนได้ตัดสรุธรรมสามอย่าง อบเพนวาสานุสติยานและลึกชาติผนหลังได้จุตูปปาตยานการจุติของสรพรพสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายใจดวงนี้ที่มันมกบกปนเวียนเกิดในสถานที่ต่างๆเพราะอะไรพระพุทธองค์ได้กำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพองค์ได้ตัดสรุธรรม ด้วยตปะธรรมคือสินสมาธิปัญญาจากนั้นพระองค์ก็ได้ได้ตัดสรู้ธรรมที่ว่าอาสาวขยหยญาญายานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วด้วยตปะธรรมเผาชำระจิตใจของพระองค์จนบริสุทธิ์เพราะนั้นพวกเราให้ยึดแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจ ไปอยู่นสถานที่ใดถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วโลกทั้งโลกก็จะสงบพรมเย็นเป็นสุขการสงบพรมเย็นเป็นสุขนั้นต้องออกจากเราก่อนเราหนึ่งอย่าไปคิดว่าให้คนอื่นเป็นคนดีให้คนอื่นมีศีลธรรมมีจริยธรรมเราต้องมองเราเป็นอันดับแรกเพราะนั้นพวกเราทุกคนมองตัวเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรมศรรมีลธรรมจริยธรรมนับหนึ่งจากเราเมื่อนับหนึ่งจากเราคนอื่นก็ต่างคนต่างนับหนึ่งจากตัวเองว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนมีคุณธรรมมีศีลธรรม ม, รร ม, มีจริยธรรมเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นถ้าคำว่าจะทำให้คนคนอื่นสัตว์อื่นเตือดร้อนแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทาให้นับหนึ่งจาก ข้าระเจ้าไปถ้าทุกคนมีความคิดอย่างนี้มีความตั้งใจอย่างนี้มีความสำนึกอยู่ในจิตใจอย่างนี้โลกทางโลกก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะนั้นการปารบเอ3สแผ่นที่15าก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรษรัตนรไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มาตปรารถนาทุกประการ